พระธรรมเทศนาคันนี้ท่านพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปนโนแสดงโปรดคณะคุณหมออวยที่มาจากกรุงเทพเมื่อวันที่3เมษายนพศ2 5 0 8ณวัดตา บ, บ้านป่าจังหวัดอุดรธานีในวันนี้โดยมีพระฤาษีมาขขมเรย่ า, างน้อย30ขุนศึกถึงหนักใจทางด้าน ทำนกิดกามเปนิจการทิศทา่า ม, ามากงอายเป็นเหมือนกับเส้นคิศทางเดินคูม่ากับทิศเป็นเส้นเดียวกันกามเดินทางตามเส้นคิศ ดูผีเช่นคิดได้แต่ข้อข้อธรรมที่ตรงศึกษามาได้ไหมเป็นเช่นเรือกลบเรือเราะทํามาหาสมุทรทะเลผดเดเีเรือเป็นข้อขัดเรือในกระถาง ท, ที่นี่หมาถึงหลักธรรมนี้เฉพาะอย่างยิ่งี่คือน้าบุตรหลักธรรกับการวิ่งในที่ศึกษาเป็นธรามกันเป็นอย่างนี้ กานลงเรือการีเรือเป็นสำคัการพบเหตุกามอันใดในเวล า, า เ, ลเดินเรือแลกายึาาเดเรือเป็นหลักกับข้าวิลเกักันให้เป็นหน้าี่ของเรือเราเป็นที่อาศัยแต่ทานี้น คือปฏิบัติทมยังไมก็ไหนทีหลักถ้าทำาังไงเป็นหลักสคัญที่ประด็นหมึ่งในาคที่เนื้อตะรู้ตลาดคอมายกเหนือถ้าทำยังไงเนื้อความยิ่งกว่าทงหลักทำนีงมงทำยังไงก็ต้อะขาดเนื้อห้าชิ้นห้าชิ้นแต่สิ้นสิบชิ้อง่ามือเก็บอันนี้เป็นปริม 5, 7, 9, 10, 10, 10, 10, 10. รา ่ความคําการก้าวเดินไปทางไปทางในขอบเิดของคนที่มีเรื่องของแต่ว่าความว่าที่ไหนเป็นของจําเป็นความคอนทั้งตัวษาผู้รักษาสิ้นห้างในเวลาไร้กักขี้เวลานั้นเป็นเวลาจําเป็น ของเราที่รักษาศีที่รักษาศีลต่อสมนันทีรักษาศีลสุดที่ต้องรอดีเสร็จก็ศีลศีลสะเทือนหน้านันเป็นความตําเป็นทัน้งตไม่ล่วงเกินเมื่อไมรล่วงเกินแล้วใจก็เยียบเย็นเราจะอบรมทางหน้านจิตใจก็ไม่มีความเดอดรนไม่เป็นอารมณ์ เหตุงการผิดผิางเพ็ทำนี้ผิดทมีความโยกเยิเคามหงุดงการอบรมจิตใหเป็นไปเกี่ยวกับความสงบนี้เพื่อนคนจะน <ừ> ีลาบากหรบ้างเพราะวารผิดอักตันตุนงานงานทางโลก ทำากมีความยเหยิงเหมือนกันถ้าเราไม่ถแต่ถึงอย่างไรก็ต้องอาศัยความเยนพยายามและลบากนั่งทนขึ้นแล้น่งทนมาโดยกำเนดลมหายใจเข้ากเป็มของไฟหรือมรทุตโตคำูมีฝังโคบนใเล็กนึงเป็นมารมของ หายใจมีความรู้สึกอยู่กับอารมณ์ที่เป็นน้ำมาทั้งอกใจนั้นเป็นน้าหนักนําหนักไปเขาจะค่อยมีความรู้สึกเด่นขึ้นจากจิตนั้นเป็นมุิตลมหายใจรู้สิตทุกข์อำนาจจิตใจไาจะมีความเยือกเย็ยนสบาความจุต ที่เกิดขึ้นจากความเฉลข้างใจนี้จะไม่เหมือนความสุขอื่นใดที่เราเคยผ่านออมาเมืเป็นเวลาหนึ่งใช้ไดยสัมผัสความสุขที่เกิดขึ้นจากความเฉเข้าไปและผู้นั้นจะเป็นเหตุให้สะดิกใจทันทีและให้มีความพอพอใจที่จะพยายามรักษาความเฉลขุออกนั้น และพยายามที่จะปรุงเสริมความเข้มขดนั้นให้มีพลังยิ่งขึ้นไปเป็นอย่างไรเพราะเป็นความติดที่เกิดกำลังยิ่งกว่าความติดใดๆที่เคยผ่านไม่ว่าความติดจะถ่านมาทางตาเข็นมาไปดูสิ่งที่นักเพลิดเพิเพเพเพนเป็นความติดห น, น่แต่ความติดพเพลิดเพลิน่็เป็นสื่อที่จะให้เกิดความติดใดเหมือนกัน ความสุดที่เกิดเป็นทางเสนทางสมุนธทางรื่นทางกายสิง น, นี้เป็นสิ่งที่ให้หรือว่าความที้างไม่อเรรไม่อครับแต่ความสุดที่เกิดขึ้นจากใจที่มีความสมดนี้มม่ค่อยจะมีคนอกจากจะเป็นอย่่เรามีความโหยาใจดู ด, ด, ดนคคุนไปให้นอกอิ่งขึ้นเทนั้น เพราะฉะนั้นท่านผู้มีจิตท่านสงบแล้วจึงเป็นทุนหนักเน่นของความภาคความเพียรเพื่อบุญเพื่อธรมเพื่อขอว่าปฏิบัติที่เป็นระเป็นธรรมโดยธรรมไม่รับไม่เลือกเคราะคำว่า ค, ความสงบของใจนั้นจะมีเป็นขั้นขั้นคือละเอียดแค่แต่เป็นรันาความสงบ ความสงบท้งใจมีความละเอียดแเท่าไรควานสุขความาละเอียดแต่ต่างๆมีผูดถึงขัน้นหัวใจกินสงบใจ ท, ท, ทาไมถึงไม่สงบขวานี้เราก่อนพาไยก่นถ้ามีสิ่งขอควรดมมูตลเสมะท้งรูปก็ก่อควรเขา ม, มาทงางตาเดินกระสานเข้าไปถึงใจเลียงก่อถางเข้ามาทางหูแล้วเข้าไประเทียนถึงใจ กมมูลุ้นใจอดหินลดเพื่อนทัางถอดกับนะทั้งถัดที่มีแยกกับถองก็ไปลุ้นใจใครเป็นเพื่อนเป็นคูอรับผิดชอบดีเที่ทุกอย่างจึงความกัะเพื่อนตัวเองอยู่ตลอดเวลาหาความสงบหนึ่งรักรู้รักเหนับพิการักจุดลับจุด รับเอาเศษเื้อไฟละคางเพ่ความเพลินดีอย่นั้นตลอดเวลาดีเท่าไฟอย่างนี้นานนายอย า, าใส่สิ่งที่เกื่ยดของเข้อาอยู่ในาำพังคนเองไม่นานพอเอาใส่อารมณ์จะเป็นอรมณ์ลลีลลยารมณ์เกียดก็เป็นอย่าควรจะตามเหมือนกันเมื่อถนงังหก็มาเห็นความติดของไฟที่เกสิ่งนี้เป็นอย่างไรพอความติ่แล้วนี่ เกิดขึ้นโดยการอาศัยการดูดการเสลน่อนกาใสิงการดูดไม่เป็นความสุขที่เป็นตัวที่เกิดขึ้นแต่ความสุขที่เกิดขึ้นจกา ร, ารอดลมนี้จะอาศัยอารมณ์ที่ทำแต่อารมณ์นี้ก็เปลี่ยนไปเพื่อให้จิตเป็นตัวของตัวทมีความสงเยือกเย็น กายก็เบาเพระใจเบามีขนักจิตที่เรืองข้อจริงและกายกับใจจะแยกจากกันมีอันดับหนึ่งอันดับที่สองกายกทังทยท้งเราข้างล่างกินนั่งภาวนาอยู่นั่นจะไม่ปรากฏว่ามีเลยจะเหลือทพีงแต่ความรู้ที่มีความสงสัยเด่นดวง ข้างมีทุกข์ทุกข์หนม่งเป็นความเจ็บที่แตก ต, ต่างกันตายเนื่ยจะมีอยู่ก็ไม่ปรากฏขณะที่ตาไม่ปรากฏนั่นเวทนาของตายก็ไม่มีอยูเป็นความทุกข์าาทางร่างกาเกี่ยวกับการนั่งงานหรือไม่ม า, นาไม่ปรากฏเพราะความร า, าคาญขงตาได้ถอนถอนมาต่อแล้วเข้าไปจิจิตก็คงตัวอยู่ดยดได้เรองความเจ็บเยอยนี เป็นความสงบขันติดจากขันต์ต้นอยู่ความสงบนี้ได้ได้เกิดขึ้นมีขึ้นบ่อยๆขณะนี้เราจิดกัมีทีละหน้าที่ํางานจะต้องจับต้องทำตามหน้าที่ของเราแต่ความสงบของใจจะมีเป็นประจำยึดแต่เป็นพื้นฐาน พอกำเนิดเข้ามาพืใจเมื่อไหร่ก็ปรากฏความรู้นี้เด่นอยู่เฉพาะตัวนี้จะอาศัยร่างกาอยู่ก็เป็นความรู้ อ, อยู่เฉพาะตัเช่นเดียวกับเราอยู่ในบ้านนี้เราจะอยู่ในบ้านในห้องเรียนก็ตางแต่ห้องเรียนกับเรา น, นไม่ใช่อันเดียวกันเราเป็นอันหนึ่ห้องเรือนนั่นเป็นอันหนึ่มันเกี่ยวข้องกับเหนุนร่างายนี้กับ ใจนี่เป็นเหมือนกับบ้านของเรียนหรืห้องเรียนนะเรียกใจนี้เป็นเหมือนกับคนที่อยู่ในห้องเดียวนลองดูเองที่แรกจะแยกกันไหมละ่ะเรียนกับเราค่ายเป็นอันเดียวกันใจกับใครมีค่ายเป็นอันเดียวกันเพราะใจไม่มีเราเป็นตัวของตัวแต่เมื่อใจเรียนรับความระมึกจนค่อยๆกลายเข้ามาเป็นตัวที่เกลียดแลด้วยอมทลาบวันนี้คือตัวอะไรหายทิงใจ นี่คือส่วนของร่างกายที่อาศัยเข้าอยู่รูนะ้ได้ครับเพราะอํานาจของความสงบทั้งจักรนอกจากความสงบความเย็ น, น, น, น, ยนใคจความีหน้าเราจะไปทําหน้าที่การงานอะไรก็ไม่ทําการงานางนั้นให้เสียเพราะฉะนั้นผู้บําเพ็ญธรรมะจึงไม่ทํางานอะไรให้เสียนอกจากธรรมะที่บําเพ็ญภายในใจ และใจเป็นหลักสำคัญที่จะถนัดเสน่ห ก, การงานั้งหาให้มีความประเดิษฐ์แวดลุกเป็นกําลังข่องงานนั้นแต่ท่านั้นไม่มีทางผี่หาเพราะธรรมะไม่เคยเป็นข้าผิด ต, ต่อเ ล, าาลกทั้งหลายถามในั้นถ้าจะมีธรรมะประจันไจว่าไม่ว่าจะทํางานทางโลกทางธรรมไม่ว่าจะตกบุญตกเพื่อนไม่ว่าจะตอนน้อยนั้นเดินมาใส่มีความ ข้าพิเศษเป็นกิตติบริวมีสุขุลงทความสงบอล้วก็ข้าก็น่นอการตัดใจนี่ยากจากคเป็นสุนัถ น, ถ, นถึงขัานปัญญาปัญญายังเป็นสิ่งที่ละเจีดเข้าไปอีกที่ทำมาสงบนี้เนแต่เพียงว่า รงับคนให้เท่านั้นแต่ปัญญานั้นขอดถอนรื้อฟื้นสิ่งใดที่เสรดเสื่งอยู่ภายในใจถอดถอนถอดกัดปัญญานะก็ถออกัดใจได้โดยธรรมะคุณเอาคิดมาคัาคันกังเลยนับตั้งแต่วันเกิดมาถึงวันนับกี่วันนับเป็นวันนับเป็นเดือนได้กี่เดือน เป็นต yes, ี้ไดตี่ตู้ภาพของร่างกายนี้คงที่อยู่หรือค่เปลี่ยนแปลงมาเป็นยังไงแตกตางกันแล้วจากนี้ไปจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้หรือไม่ความเป็นมาของร่างกายอย่างไรความเป็นอยู่ของร่างกายก็ต้องเปลี่ยนเป็งไงที่ความเป็นมาของร่างกายเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาความเป็นอยู่ของร่างกายก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตรงไหนและความเป็นไปของร่างกายนี้ก็จะต้องเปลี่ยนแปลงเป็นไปเป็นยังไง สิ่งทุกอย่างในร่างกาของเรานี่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่เคยมีการไหนจะยุดยั้ยังตัวเองไว้ไม่เปลี่ยนแปลงแม้กระนันแต่เป็นส่วนที่ละเอียดเราจีไม่สามรจะทราบได้ว่าเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองของเขาอย่างไรบ้างเนื่อตั้งใจดวยพิจารณากข้าไปย่อมเห็นทักรู้ักในรู้ทักแล้แต่หาทางออกตรงดี ความมาทางออกในสะถานที่หมายถึงความยึดมั่นถือมั่นที่เป็นอุปทานความเป็นอุปทานนี้เป็นเหมือนกับเครื่องกด ถ, ถ่วงจิตใจนะให้บิ่นโยงไปในทางความลำบา ก, ก, าาากบานะที่เป็นพุกขาดหายมาบ้าเรื่องมากทันใจว่ามิจางทิกย์ของรรมะกัง เราได้ยินไม่เห็นมในแบบในคำพูีแต่ใจของเราปัญญาของเราไม่เห็นเรื่องทของเราคอนิจังคือของหน้าตานั้นตัี่มาถึงเรื่องของเราเท้านั้นแต่เราไม่เห็นเรื่องของเราทาให้แต่ขี้นี่เรื่องผลที่จะสรากฏให้เป็นความอิสระการเป็ที่เรียนมันก็ไม่ค่อยสรากฎหรือเมื่อเราได้ขี้แต่มาลงไปแล้ว อย่งอ น, นิจังก็เห็นพ ก, กับไจกับกามที่องก็เห็นภาพ ก, กับตายกันไจอานาตัซที่เป็นสิ่งที่ควรก็เกิดวางเราก็เห็นภา พ, ก, พ ก, กับกายกันนเนื้อทวงแล้วก็ต่างจบเพราะปัญญาเพียงพ อ, อทำข้อถอนที่เลยเเพื่อเกี่ยวกรองจิตใจทุกขอ้อถอนั้น คือรื้รถอนกับมาปิดเข้ามาเป็นลาดับเนี่ือดีกับทั่วเมื่อถ้าจะเป็นวัดขู่หรือเป็นสภาพเป็นที่ให้ปิดเข้าไปเกี่ยวข้องยึดถือมาเป็นอารมณ์แักความดีใจเกลียดใจแลวเป็นทุกข์ขึ้นมาในปัญญาพิจณเห็นทัน้งแหน่ก่รื้อถ อ, อนจากสิ่งนั้นเข้ามาเหมือนกับเรากอกว่า เป็นเรแบบพืนี่อะไรก็แล้วกตาบมบักอเรามีพืนประมาณสักสิบท่อนเราทึงหนึ่งแ็ค่อนแล้วเดินไปอีกทนสองสงข้าวทึงหนึงอีกท่อนเดินไปสามขาวแึ้วทึงอีกท่อนทึงเป็นน้ำหนก้นเรากผู้แบบเืนรู้สึกว่าเบาเบอย่างเบเป็นทึงงหมดให้เงเหลือบนหมานั่นแล้วกั เรื่องพิจารณาทางปันญาทาาาถอดถอนสิ่งที่ฝังจนมยู่ายในใจกห้หมดไปหมดไปภารก็หมดไปหมดไปอรธาปฏิยาขั้นพละแท้ทางเรื่องสืของความเกิดั้งสัตว์ทั้งไกลโลกทางไกลใครเคได้ยินมาก็จะมาเห็นน้ทั้งหลา วิชาไม่เออาไรมีรู้ทักที่ใจมีรู้ทักที่ใจแล้วถ้าถอมกันอีกอย่างหนึ่งถอนได้อีกถอนเพื่ อ, อเป็นเหตที่ให้เกิดเกิดไปในึจกลางใจกลางนี้นนเป็กความสมมุติแต่สมมุกขึ้นมาใหม่นะเป็นกาที่บุต ร, บริกกายสุบุตริกนี้ ข้ได้กับทั้งด้านวิตุและอารมณ์แต่ไม่ได้ติดสมองสมานกันไม่หมดดีก็ฟังได้เชั่วก็ฟังได้เขาดิดาว่าตายก็ฟังได้เขาเมเผยกันไม่เผยก็ฟังได้แต่ไม่ติดเพราะจิตที่บริสุทนั้นเป็นจิตที่พอตัวือยไม่จำเป็นจะต้องหาอะไรมาเพิ่มเติมความเพิ่มเติมวิเดูก็เพิ่มเตินเชื่วก็เพิ่มเความสุขความทุกข์ท เกิดขึ้นบับไปเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่ที่เพิ่มเติมค่ณภานนั่งหมดไม่มีสิ่งเพิ่เติมคือถึงขั้นคีบริสุเธิมตนเองอ่านจะพูดธะไกันทีหลังตัาละลืมท่งรู้ถึงความผอดีของใจพอตัวแตาอะไรมาเพิ่มอีกต่อมาก็มัดปีกันปีกกำลังสุดท้ายุอื่นยิ่งแตาทัต้องไม่ต้นต้นเท่าัน ถ้ายามทำใจของเามีความเหนื่อี่เย็นหือเพี้ยนที่เราเกิดมาพบมนี้ประกอขอาณาจักเป็นอาณาจักที่แคบจงเจริญเได้หลักผคม่สาดนเินดันกระยากดันลำบกันเราอยาเห็นเกิดควาอยาของเราเรท่งความอยากนี้เนื่ยเป็นเหน่หน้าของสิเลยนะจต้องคิดหน้าคิ่เนื้ ควมอยากอาจจะเหนือหน้าเั้่งใจเราเราไม่ได้ทำหนึ่งทุ่มความอยากนั้นแหะมีมันมีเส้นเสียหายอะไรเกิดขึ้นมามันจะค่อยตารโดยทางเดียวเลยก็ทำเวาให้เสียได้เหมือนกันนะก็หันเข้ามาทำหม้อตักตืนตื้นเนีมันเหมือนกับรถไม่มีน้ามันมันเส้นติดทุ่มใจไม่อยากทำค่อนข้องจุก งานอันนี้เป็นงานชิ้นเอกสำหรั้งานถ้ามีงานขึ้นไหนที่จะเอ่ยขึ้นก็ทำอารมณ์จิตใจให้าสมุดก่อนนะซึ่งเป็นความันตรายตัวนี่เป็นสิ่งที่รักษาแต่เมื่อความเห็สผิดทังเรายังมีอยู่กับใจแมนก็ทําให้ซึมถ้าแต่ลว่าการทำเป็นธรรมนั่นจะทําเพื่อผู้ใดก็ไมครับนี่จะทําเพื่อใครเสไม่ได้เ น, นี้ยจะหนึ่งว่าไม่จะทําเพื่อตัวเองแต่จึิงแล้วที ความหากดัน we ั่ามภาพง่ามผิดพลาดไปเราถือว่านั่นเป็นจิตจำเป็นที่ควรจะทำที่ควรจะเป็นไปตามพละงาจิตของผู้ไม่อบรมธรรนะจึงต้องเอีเอียงยื้นอ้อมไปตามสิตแต่นั่นสมบัติย้อย้อนเกินไปยกตัวอย่างก็ใช่เช่นเช่นเคยดูหนังนี่เคยดูหนังเป็นประจำเป็นิสัยหาดูเพืความเพลเพลิน ดูได้วันดันงคาภาวนไม่ได้ไปดูไม่แล้ไม่จะมาใครจะมาขุดรายนิดหน่อยมาหักเป็นโกรเครือง ท, ง ท, ทันทีนะความอัมหนักมันแรงเหต ท, ที่จะทำหน้าของความอยากน้มีความแรงขึ้นเป็นหนักก็เห็นหนพราะไอ้ผลทางที่เราคล้อยตามน้นเจรเป็นความอะรกินของความอยากมีความอยาก็ปนประกันไ้ มันเพออถ่อไยเลยเข า, าถือว่าเป็นงานของเราที่จริงจังดูมาแล้วรู้สึกมีความเพมไไ ล, เลิลนทางจิตใจไปแล้วเหยื่อเราเขาแสดนเป็นยังไงเอานำมาเป็นอารมณ์ของใจเราเป็นต่อเป็นเพื่อไปได้อีกอเรื่อกันหน้าไคิดอะไรไปเลยหาที่ยัดทั้งนี้จะต้อทั้งนี้เป็นความความเทียบเทีย จึงอื่นๆก็เหมือนกันในทางาการทั้งนี้ไม่าาสมายทึ้งเป็นความเจ้าหนายโดยการเ ย, อ, ยอะไราจะเพีอยท่ยาติกาจสิงเห่านั้นก็ได้สำ ห, หรับผูมีกันญาแต่ถ้าเราไม่มีกัญญานัา้นมีแต่ทางให้เสียเสี้ทยรทาราบเขางเพงี้ยแต่เพี้ยใจงเราแข็งข็เสียนิสัยนิังข์มากถ้าหลักนินสัยเป็นหลักสังข์ธรรมะกเป็นสอนให้สึกหักดัดแปลงเป็เอ เสียตั้งแต่ต้นเมื่อเราป่อให้เป็นไปตามปุโรหิตนานความน่าแข็งแรงน้อยลงใหญโตขึ้นแลวการแตกไขได้ยากยามนี้ค่ะไม่ใช่ที่เราจะนังิตใจอยู่เพื่อทําน้าที่โดรช่วย้วยกันให้มาเป็นประโยน์ให้แม่เที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เหนื่อยมกลำหงาขนาดที่ เร า, าเป็นอยู่ในมักนี้ปัญหาได้ยากนะโลกทั้งโลกจะเป็นเหมือนอยบเราไม่สามารถมีเป็นา ง, งานได้เพราะเป็นงานความดีที่เราได้ขเาเสรมจแล้สิ่งที่เขาจัดหาไม่ได้เมีเงินไม่ง่ายแต่จับงานได้ทั้งหมดเลยภูมิของมนุษย์นี่ผมรู้สึกว่าเป็นภูมิที่เกิดได้ยากขัดทั้งเกิดได้งา่ายและมีมากมายแต่ภูมินี้่เป็นภูมิของเรา ยินงเป็นหลักของภาษากานาคือเป็นธรรมันจะเสริด้วยแล้วถ้าหาผู้ที่สนใจถ้าหาเลยว่าที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อทํามันกะเสรินั่นก็หาเลยว่าแต่เราเป็นผู้สนใจเข้ากับธรรมของีุปถัมภ์นแลนเรื่องนมาตัดับจิตใจทั้งคนให้เป็นจิตใจที่มีทางใหาเหนื่ยหรือไม่เหนืที่แบัดย่างใจไปในสิ่งอื่นวไม่ควรเพราะว่าเราไม่รู้เทียที่เกิดเป็นนี้ เราเหนในความนี้เราก็เห็นว่าถ้าเรามีหน้าอาสนาเพื่อน้อยเป็นภาพเพื่นอนบอกความรุกความตลาดแล้วก็พาดูข้างเรามีเป็นทุ่นถันหนึ่งรายการข้างหน้าเรื่องครบเรื่องฆ่ากรืมีอยู่กับใบสิ่งที่อาขัยก็จะต้องมีสิ่งที่อาขัยก็ต้องมีไง จะต้อาศัยเราจะทำ้างที่ทําทื่อมจิใจของเราว่าไม่ดีให้เสียทใจนต้องมีอาหารประเททหนึ่งกามีอาหารประเททหนึ่งสนใจนี้เราจะทํามะล้วก็ยังขบลมไรนึกภาวนาไม่เด้เสียอับเสียกระทางอะไรเลยเราทาได้ทุกเวลจะนั่งยูจะทำนั่งนอดูจะทำนั่ง เพ่อคิักจิใจของรมีความเยืนเยินมาแลมันเป็นลักานภายในใตัวเนีเป็นของให้ความยากอะไรนะการศืนเพื่อดีนัไม่ผิดจากหลักธรรมของพระุทธเจาวเยือมเยินเคมากเลือเพื่อคิดถักเพิ่มจากทุกเป็นตัวเองากบุดาของเราขอให้ความจากฝืนความเคยเปนมาของพระองคท่แล้วที่เป็นสุกขเคยา ที่พุทธาลก็องพระทนารจะพยยามฝืนเปลือกเปลกมาเป็นไปตามหลักธรรมการฝนนั่นเนี่ยธมาอาภุดทางเดินกิเลเขาไม่พอบวามการฝนทางธรระาเดินทางธะแต่ถ้าท้อวามข้แล้วันย่างทันเวลาไม่ต่งเป็นที่ยินดีตลอดเลยาการฝืงที่ขาชอบถึงที่ชอบอย่างนั้น สิ่งที่เขาชอบนั่นนะครับเป็นเกท่อให้เาแต่สิ่งที่เราชอบเขาไม่ชอบมันเขาเคลือบคล้องความใจของเราจะทำใจของเราให้ไม่ชอบอีกเหมือนกันมึนทุกโพทังโนงทุกโพลังเหนื่อยลึกยากําบดกจนึกถึงภาพต่างๆสิ่งที่เราเคยทำมาเป็นงานนั้นมันนึนง่ายมันคล่องตากขูดขัดอิดง่ายทากระทำง่ายคิดจคิดง่าย เมื่อในอดีตมันถือเป็นธรรมดานึกถึงตัวไหนมันก็ออกม า, ถ, นนมามถึงํำไหนมีเกลือกเกลื่นมาค้อมคันมสุของค์ประกอบจะไม่ให้เสียเวลามีข้อความโดยสิ้นการอบรมจิตใจก็ในใจเป็นอย่างจิตละเวล า, ออ เ, า, เ, าลเวลาคิดถึงว่าเราอยู่ที่นี่อยในโลกนี้เรากำลัง อ, อาศัยความจิดถึงเป็นอย่างไรถ้ามีเพงแต่ความทุกข์ความวุ่นวายอยู่ตลอดันแล้ ใครไล่แบบจัดการสิทธิ์ในโลกนี้ถ้เป็นเหมือนดินถ่านเต็มมีความมีสิทธิ์มีความสะดวกสบายอนั่นเองความสิทธิ์ความสะดวกสบายกพระอำนาจของคำที่เราทำไว้แล้วเราพยายามต่อเติมเตริมทำให้เราที่ดีอย่างนี้ให้มาเป็นไปพอเรามีภบมีชาตกต่อไปล้าก็ต้องได้รับความสิทธิ์ความเริงเต้มหมด นความดีในจะเพ็นทั้งเราทั้งนั้นเพราะมาด้ั่งเราคนใดค้นึ่เรื่องจริงจากเราตอนนั้นียของต่าเป็นความแปลว่าความกาทำทำจนไปแล้ดีก็ต้องเป็นเรื่องของเราทำเพื่อเป็นเร่งของเราทำงความสุความทุกข์งนเงเราจะต้องเป็นของราเมเราเกลียดความทุกข์ชอบความสุขแล้วเราก็พยายามปื้นใจ ความเมืองวามดีก็เป็นความดความเป็นวลผิตจิตใจทั้งหมดคืองนานความดีเร้่มตั้งแต่จิตจแล้วเรื่องชีวิตจิตใ จ, จัวนีวะเวลารู้ยัก ง, งอยู่ตอไปยืดยาวนานเท่าไร ก, ก็ไม่เหือนว่าหรือจะตายวันนี้วันหน้าก็ไม่เห็นว่าถ้าเราเตรียมพร้อมแล้วื่อนือพบหน้าึ้เื่อวันหน้า เราก็ไม่เห็นอแต่ถ้าอะไรล้วก็ไม่มีเมนี่ร้อนเหมือนกันพยัาฆ์าายัง่อยๆขึ้นในบ้านในเรยนให้เรามีอะไรผาดเหมนบกพร่องหรืงบ้า ง, างนาีง่เรายังรู้สึกร้อนใจ้องรีบเร่งสงสาหามางา น, นควมดีของนั้นวชพยา ย, ยามถือบ้างใจเราเังมีความให้ถ้าเป็นพิพยัคฆ์การทำนะ นั่นความเพียรปเพณไปมีความพมันเพียรประหุนผลก็เป็นความคิดเพีนรประผลที่อัศจรรย์ด้วยโยนขบางไทยขบ่าเพราะลนทีคิดไม่ถูกเดียวเงโยงภาระโยงในสมองไทรขบ่ายอยู่เดือดเดียวโดยรังควานโดยความเยาว์นัตตะคุสงบ อยู่มอหรือเมืนคนภาชนะติดพิษต่อภา้นะสอนคนให้เห็นผลบุญคุณธรรมในปฏิบัตพครอบธรมแล้วก็ทำอยู่ในปฏิบัติผลก็ควรจะรู้ในสิ่งสิ่งที่เกิดเหลือจากนี้จะไปรู้วันหน้าเรื่องสิที่ภาชนะจะต้องรู้ในวันนี้รู้ในครัน้นี้ไม่เชนั้นพร ะ, ะิกาสอบอกอะไร ท่านดก็ร <Tube. S 1> ู้แล้วท่านยังไม่รู้ว่าท่านดรูอเป็นถึงข้อหลัานแล้วยังไม่ไม่ทราบพระองค์ว่าไปเลือกสอนโดยการขนืคืออาหารประสริฐมีเป็นทั้งแบบที่เกิดขึ้นเฉพาะพระธาตุของตนหรือเฉพาะพัะไทยเองตนะก็รู้ในทางหาวโลาวิจารณรู้ความอุปรากข้รู้ในปัจจุบันการพัฒนาเป็นส่งเสริมด้วยการงานเงิน ลึกซึ้งมากจริง